ตั้งใจเรียนดีมีความรู้ความเฉลีลาดพ อ, อไรก็จำง่ายมีความกตัญญูรู้คุณและครูก็ตั้งใจให้ความสะดวกสบายทุกอย่างเธอต้องการอะไรถ้าไม่เกินวิสัยของครูครูก็ให้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการอันนี้เป็นผลของความดีที่เด็กตั้งใจเรียนมีความกตัญญูรู้คุณ ใครไปใครมาโรงเรียนก็อยากจะทราบว่าเด็กหญิงจูไรอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตาเปาน็นยังไงเมื่อครูแนะนําให้เธอรู้จักจกับใครเธอก็ยกมือไหว้วยความเคารพผูดจาไพเร้อยเมอบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็คุณเอาอย่างจูงไรและก็กลับมาบ้านแม่ก็มีความเพืิดเพลิกจูไรก็มีความสุขเพราะลูกเป็นคนดีแม่เป็นคนมีสิทธรรมวันหนึ่ง ว่างจากการรับทานอาหารเสร็จอาจน้่าเอกท่าทำกันบ้านแล้วจุเลัยก็นั่งคุยกับแม่ความจริงคิดจะเล่าตัวนิทานความฝันของจุลัยตอนนี้ก็ไม่ฝันละเพราะมีนิทานตัวอย่างแล้วว่าขึ้นชื่อว่านิทานอะไรก็ได้ใครจะหาว่าเป็นการมูสาวไหวก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของนิทาน เราเล่า ว, ว่าเวลาตอนค่จาจลัยก็มานั่งนึกถึงอันุมานตอนที่พระรักถูกหอกโมกษศักดิ์พระรามและพระนารายให้อันุมานไปห้ามพระอาทิตย์พระแสงพระทิตย์ถ้ต้องถอดโมกษศักดิ์เขาพระรักจะตายจลัยก็คิดว่าฮันุมานเป็นหลิงก็สามารถถอดได้ แต่เบลิงาว่านารายมีฤทธิ์ก็เป็นของไม่แปลกแลก้วกน่าแปลกที่พระนารายณ์เป็นนายกับไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์จะเหาะสู้หนุมานไม่ได้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันสงสัยแล้วต่อไปจุลัยก็ไม่คิดว่าหนูสองตัวพอผัวเมียแล้วก็ลูกสาวหนูที่ก็ต้องการยรูศสาวไป้เป็นพญญยาของพระอาทิตย์ ทั้งสามคนนี้ก็ออกไปได้ถึงดวงอาทิตย์ได้จุลัยก็เกิดความสงสัยว่าพระอาทิตย์ในเรื่องรามเกียรติเป็นไฟกองใหญ่ที่พระสุรยิยะเทพบุตรเอาเชือกผูกท้ายรถถ้าผูกดวงพระอาทิตย์ลากไปโลกสว่างเพราการไปคบเพลิงสองโลกสว่างมีความร้อนความตูมไม้ก็ไฟไฟไม่หมดแต่ด้วยว่า หนูทั้งสามตัวเขาไปไฟไม่ไหมก็เกิดความสงสัยทางคนแม่ว่าอยากจะทราบว่าพระอาทิตย์นะี่ความจริงเป็นไฟหรือไม่เป็นไฟอยู่ที่ไหนไกลสใสไกลาทาไมอนุมานจึงไปได้หนูจึงไปได้อยากจะทราบว่าทาไมหนูจึงไม่ไหม้ไฟอนุมานไม่ไฟก็มีคนเพชร พระอาทิตย์สามารถชุวให้เป็นตัวตนกลับเข้มาได้ <c oughs> แม่ฟังแล้วก็ยิ้มก็าถามว่าจุไรลูกรักเจ้าอยากลูกอยากจะดูพระอาทิตย์หรือหรือจะไปเที่ยวดวงอาทิตย์จุไรก็บอกว่าแสงอาทิตย์ก็ดีดวอาทิตย์ก็ดีลูกเห็นทุกวันแต่ว่าเวลานี้แสงอาทิตย์หายไปมีแต่แสงจังนทร์เขมาแทนเวลาตอนเช้ามีแสงอาทิตย์ ลูกคิดอยากจะไปดูอาทิตย์แต่ก็เปล็งไปจะไม่อย่างฮนุมานแต่ว่าการที่หนูทั้งสามตัวเข้าไปนั้นเข้าเข้ า, ขาทางไหนหนูที่อหไฟจะไม่ไหม้หนูแม่ฟังแล้วก็ยิม้มแม่ถามว่าลูกอยากจะไปจริงๆหรือ <c oughs> ด้วยไรก็บอกว่าหนูอยากจะไปแม่ก็บอกว่าการไปดูดวงอาทิตย์ตัวจั ก, กรวาลต่า ง, างๆเป็นของไม่นัก ถ้าลูกมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธ์จริงมีพรมิหารสีจริงแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณจริงอย่างนี้พื้นฐานดีแล้วถ้าสามารถปรกจิต น, นิดหน่อยสามารถไปเที่ยวจักรวาลต่างๆได้ดูไลฟฟังแม่แล้วก็ชื่นใจ อยากจะทำตามแม่ว่าถ้าถามว่าการเครารพพระไตรป น, นาคมก็ดีรักษาศีลก็ดีกินพรมีหารสี่ก็ดีมีความกตัญญูรู้คนก็ดีที่หนูทำอยู่เนี่ยเวลานี้สมบูรณ์ทุกอย่างแม่ก็บอกว่าตามที่แม่ดูเจติยาของลูกสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วลูก จุไรก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปิดวงพระอาทิตย์เลยนี่นถ้าต้องการพระอาทิตย์ไม่เผาผลาญเมื่ออนุมาณจะทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าเป็นของไม่ยากจุไรลูกรักเวลานี้จุไร ย, ยังเป็นเด็กอายุเพิ่งพแค่ห้าปีนี่วอนต่างๆคือความชั่วร้ยายที่กำบัชิงใจนี้ไม่มีจิตใจประกอบด้วยความบริสุทธิ์ ตอนนี้ไปถ้าตั้งใจอยากจะไปดูดวงอาทิตย์จริงแม่จะพาไปอยู่ไรฟังแล้วก็ยิ้มมองหน้าแม่ถามว่าคุณแม่ไปได้จริงๆหรือเจ้าค่ะแม่บอกว่าจักรวาลต่างๆแม่ไปได้หมดสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีแดนปึนกกสุรกายก็ดีในโลกนี้ทั่วจักรวาลแม่ไปได้หมดพรมแม่ก็ไปได้นิพานแม่ก็รู้จัก จุไรก็ถามว่าสวัสมีจริงหรือแม่ตอบว่าแม่ไปมาแล้วมีจริงๆพรมก็มีนรกก็มีเปรกก็มีสุรกายก็มีนิพพานก็ปรากฏจากโดนใจอเป็นคิศของแม่จุไรก็ถามว่าเขากลาก่าวว่านิพพานศูนย์คุณแม่ก็ตอบว่าเรือนิพพานศูนย์เป็นของจริง แต่ว่านิพานสูญจากการบินไหว้ตายตา ย, ตายเกิดในวัดตานสูญจากความชั่วทุกอย่างขึ้นที่ว่าความชั่วนิดหนึ่งไม่มีแต่บุคคลที่เข้าสูานิพานจุไราถามว่าถ้าอย่างานี้นิพานก็เป็นเมืองไม่กต็ตอบว่าถ้าจะถือว่าเป็นเมืองอย่างชาวโลกก็ไม่ใช่จะถือว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกเพระว่าขึ้นชื่อวันนามธรรมา อย่างนรกเขาเรียกกันว่าเมืองนรกแต่คนเราขาดความเป็นทิพย์หุ่ใจไปจะไม่เห็นเมืองนรกถี่ว่าดาเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์ถ้าคนที่ขาดความเป็นทิพย์ก็ไม่สามารถจะเห็นสวรรค์ได้ไม่สามารถจะเดินไปชนสวรรค์ได้โลกมนุษยก็ถือว่าเป็นเมืองพรหมเราก็ไม่สามารถจะเห็นนิทานเนื้อได้ขาดความเป็นทิพย์เห็นไม่ได้ ถ้าร่างกายจิตใจไม่เป็นทิพก็ไปสู่แดนภพไม่ได้แต่ความจริงเขามีสถานที่อยู่กันสำหรับนิพพานก็เช่นเดียวกันนิพพานเป็นดินแดนที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือหมายความเป็นเซเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีความบริสุทธิ์น้อยคือมีคุณธรรมเพียงแค่สองอย่างได้ ใ, ใจฮิริกและอุตตปะ อิลิอายความชั่วโอตะปะเกรงตัวผลความชั่วไม่ทำความชั่วทั้งนั้นที่รับแต่ทแจ้งตายจากความเป็นคนหรือสัตว์ไปเกิดเป็นเทวาดาเป็นนางฟ้าได้แต่มีความดียังอ่อนอยู่ถ้ามีความดีสูงกว่านั้นมีอิลิลาโอตะปะเป็นฌานสมาบาัติเชื้อจิตทรงตัวสามารถไปเกิดเป็นพดของผมได้ก็เป็นเมืองผมหมกัน แต่นคนที่มีความเป็นสุขที่สุดกิเลสตัณหาปลาทานอกุศลกรรมไม่มีอยู่เลยในใจและก็จิตใจตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้อย่างนี้ประโยชน์แดนนิพพานฉะนั้นแดนดังสามนี้เป็นนามธรรมาแดนนรกก็เป็นนามธรรมจาะถือว่าศูนย์ก็ไม่ถูกถ้าศูนย์ก็ต้องศูนย์ทั้งหมดทราบว่าถือไม่ศูนย์ก็ต้องไม่ศูนย์ไมนกันหมด นี่คำว่าสูนก็หมายว่าจังสมมติว่าคนตาบอดเขาไม่สามารถจะมองอะไรรู้จักได้เลยถ้าไปคําจะรู้จักแค่มุมนี่คนที่มีความเป็ทิพยอย่างอ่อนจะรู้จักเทวดาได้รู้จักความเป็ทิพยอย่างกลางจะรู้จักผมได้ถ้าบริสุทธ์ทั้งหมดความป็นทิพยทั้งหมดเข้มแข็งสะอาดหมดจดจะรู้จักนิพพานได้ ครืองความวาเรื่องนี้หนักลุกรักของมีจริงแต่ว่าอย่าเพิ่งรู้เลยตัวสั้นๆก่อนไปจักรวาลต่างๆก่อนตัวไรก็ยอมรับถาคุณแม่ว่าท่านหนูอยากจะไปยูดวงอาทิตย์คุณแม่จะนาไปได้ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าแม่นำไปได้จะพาะคนที่มีความดีพอความดีในการมีสิน ก็มีหารศรีขลรกไตรสนากรมก็ลูกมีพรแต่ยังขาดอะไรอยู่นิดหนึ่งคือความเป็นทิบขอจิตถ้าสามารถชำระ จ, จิตที่มีความปท็ทิพ์อย่างอ่อนได้แม่พาไปได้ทุกพพอยไรก็ถามว่าให้หนูทำยังไงแม่ก็ตอบว่าอันดับแรกให้หนูนึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วใช้คาภาวนาว่าพุโทโธแล้วาคาภาวนานี้ไม่จำกัดจะเป็นพุโทโธหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบแต่เวลานี้อันดับแรกตู้ภาวนานึกในใจว่าพุโทโธก่อนเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าธโธในเวลาให้ใจเข้าจะออกทำใจสบายจิตใจนึกถึงภาพของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่ง จุไรก็มองซ้ายมองขวาเห็นพระพุทธรูปที่บูชาแล้วถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาองค์นี้ได้ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าได้พระที่เราบูชาทุกวันนี้เป็นของดีเราจําได้แม่จุไรถามว่าทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าหลับตาชิลูกก่อนหลับตากลับพระซะก่อนกลับครั้งแรกนึกถึงว่าการเรากลับพระพุทธเจ้า ก ร, รากบ 3, ครั้งที่สองนึกกราบมาทําคําสองสอนพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สามก็นึกว่าหลังกราบพระสงฆ์จุไรกราบสามครั้งสามครั้งไปแล้วเลยกราบครั้งที่สี่หันมาทางแม่พราคราวนี้หนูขอกลาบแม่ถึงมีบุคุณใหญ่แม่ก็ยกมือว่ารับวะรับไหว้หลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าให้จุไหรนั่งนั่งท่าไหนก็ได้หลับตาก่อนหลับตาดูพระพุทธรูป ก, ก่อน นึกถึงภาพจำให้ได้แล้วก็นั่งหันหลังให้พุทธรูปนั่งหลับตาให้ใจเข้านึกว่าพุทโธใจออกนึกว่าโธนึกถึงภาพของพุทธรูปแม่ก็ถามว่าจำได้หรือยังลูกจุลัยบอกจำได้ชัดจังแม่เห็นทุกวันแม่ก็บอกจุลัยลืมต า, าหันหลังหันหลังให้พุทธรูปนึกถึงภาพพุทธรูปจำได้ไหมลูกแม่เออลูกจุลัยก็ตอบว่าจำได้ พอจากนั้นไปแม่ก็บอกจุไรหลับตานึกถึงภาพพระพุรูปขอพ่อนท่านว่าต่อ น, นี้ไปลูกจุไรจะไปดูดวงอาทิตย์ทึ่แม่จะนำไปจุไรก็นึกตามนั้นพอนึกตามนั้นก็ปรากฏมีกายกายหนึ่งออกจากกายเนื้อจุไรก็มีความรู้สึกว่าเรามายล่นอกกายมองร่างกายเติมเต็มด้วยความสุขกับโศก ร, ร้ กายใหม่นี่สวยกว่าแพรวพราปยปะดยมีเครื่องประดับเป็ น, เ, ปนเพชรเนื้อแท้ของจุไรจริงๆก็เป็นแก้วแพรวพราเป็นระยับหน้าตาทุกเรื่องสดทรงสวยสดงดงามกว่ามากก็เห็นร่างกายของแม่ลอยอยู่นอกกายเหมือนกันสวยก็จุไรมากที่ได้กราบแม่บอกแม่ทําไมเป็นอย่างนี้จุไรแอฟคุณแม่ก็บอกว่าลูกรัก การจะไปชวนลูกต่างๆเราเนื้อไปไม่ได้ลกูกจึงต้องกายเฉพาะต้องการเฉพาะกายไปเาะกายแท้นี้ไปนี่กายของเราแต่แท้ร่างกายที่นั่งอยูน่นันเป็นเปลือกเื่อนันร่างที่เราใส่ชั่วคราวหลังจากมันเวลาเหรือสิบนาทีเสร็จสิดสองนาทีก็ขอเล่าลัดคุณแม่ก็พาตุไล อันดับแรกไปพระจุลาโมนีเจดีสถานดินแดงของสวรรค์ชั้นดาวเรืงองสเทวโลกเป็นที่ธรรมสการของเทวดาและพวกเข้าไปที่นั้นก็พบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสง์สาวุกมากมายเต็มพระจุลาโมนีเป็นดินแดนที่มีความสดสดง ด, ดงามมากเมื่อก็พาจุลจุลจุจลใเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระสงศ์ กราบท่านพระพุทธเจ้าทรงแยมพระโอษฐ์ถามว่าจุไรลูกจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปดูพระอาทิตย์หรือจุไรก็กราบทูลว่าลูกอยากจะไปดูเจ้าค่ะเพราะใช้แาสงาทิศสว่างมาหลายวันนลายาและหลายปีความดีพระอาทิตย์มีมากลูกจะไปขอบคนท่านว่าพูดแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแยบพระโอษฐ์ท่านบอกว่าเอาละเรือร่องอื่นไม่ต้องพูดกัน ถ้าอยากจะดูดวงอาทิตย์ไปที่ดวงอาทิตย์ตามตถานคตมาอันดาท่านผู้ฟังแล้วลูกรักทั้งหลายจะเรียกว่านี่เป็นเรื่องนิทานนะถ้าใครทําได้จริงๆทําใจแบบนั้นได้จริงๆก็ไปได้จริงๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นนิทานก็เป็นนิทานตัวอย่างการพบพระพุทธเจ้าเป็นพุทธนิมิตหรืออะไรก็ตามไม่สำกัน เอาเป็นว่าพบได้ตามเรื่องธรรมนิทานก็อลไรกันอธิบายถ้ามันจู้ดี้ช้าต่อมาสมเด็จพระบรหัสจันดไดก็นำสองแม่ลูกมายืนอยู่ที่มุมจุลามุญีชี้ให้ดูดวงอาทิตย์ว่าการมาที่นี่ไกลมากจากโลกที่อยู่มาจากกวานอาทิตย์กลับมาจุลาบุญีนี้ไกลกวกันหลายแสนเท่าถ้าอยากจะดูก็พาไป วันที่สุดท่านก็พาไปที่ดวงอาทิตย์ที่แรกก่อนลออยู่ข้างนอกก่อนเห็นโลกโลกหนึ่งแต่ความจริงที่โลกนั้นไม่มีแสงมันเป็นธาตุทั้งโลกเกลี้ยงมีผิวแข็งตัวสภาพมันหินเหมือนหิน เ, ห น, เหนเกลี้ยงแลก็มีได้สายความมิติเห็นอะไรเป็นเร็จเห็นก็ใครจะเหยืร ร, ร, รออกจากโลกออกจากโลกนั้น แล้วพุ่งออกมาไกลาการเสียดสีของโลกนั้นกับอากาศกับสิ่งที่กระแสกระจายออกมาจากโลกนั้นที่จริงลยเหยกลายเป็นไฟมีแสงสว่างมีความร้อนมากแต่ไกลก็โลกนั้นมากแต่ท่านที่ยืนอยู่ที่นั้นไม่มีใครร้อนเพราความเป็นทิพของร่างกายคือ น, นามธรรมาแล้วที่เวทีสมาดากาย ที่ไปนั่นไม่รู้จักความร้อนไม่รู้จักความหนาวก็ขาดท่าตีมือรับต่างคนต่างยืนดูลอยดูดวงอาทิตย์หร้อโลกอาทิตย์แต่ว่าดูแสงไฟอยู่ไกลมีความร้อนมากอยู่ไกลเพียงกราโทูลถามทุนเด็กป้ากูมีประภากกว่าคนหรือสัตว์จะผ่านดวงเขาเอาดวงไฟกองนี้เข้าไปได้ไหมมันอยู่ทั่วโลกมันอยู่รอบๆไปหมด พระพุทธเวาจ้าทรงตรัว่าถ้ามาก็ไม่ยากอนุมานแต่สิ่งที่จะผ่านเข้าไปได้ต้องมีกําลังประมาณสองล้านองศาต่อต่อสู้กําลังได้สองล้านองศาต่ อ, อนนะทู้ความร้อนเนี่ยจริงจะผ่านเข้าไปได้แต่สิ่งที่อยู่ภายในจะเสียหมดเพราะความร้อนสูงมาก <c oughs> หลังจากนั้นไปทัานก็พาไปยืนอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ มองดูภัยรอบๆหมุนหมุนไปได้แต่ล อ, อ, อดดวงอาทิตย์มีความหมุนไม่เหมือนโลกโลกมีความหมุนมีความหมุนกลิ่งคล้ายๆสมอกลิ่งแต่ว่าดวงอาทิตย์หมุนคล้ายๆกับของที่ตั้งขึ้นแล้วหมุนรอบตัวข้างๆเหมือนกับอะไรก็แท่นที่ก็จะเจาะแต่มันมันหงายหน้าขึ้นหมุนแบบนั้นแต่มองไปดูโลกมนุษย์หมุนอ้อมดวงอาทิตย์ แต่ไม่ได้อ้อมข้างอ้อมข้ามหัวไปอย่างนี้นักวิยาสายเขาเองยังไงก็ช่างนิ่มเรื่องนิทานกลวมความเมื่อพิยิตมองดูอาทิตย์ก็ไม่เห็นแสงไฟข้างในเห็นได้ไอ้ระเหยเรียวๆออกมาจิวายังกาดทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็บอกแม่บอกอา่าจะเข้าไปยูข้างในว่าไฟอยู่ที่ไหน แม่ก็ดีสำเ็จประจำใจก็ตามเชีย่จยจุไรโดว่าไอ้รเหยรอ บ, barrier, รอบัวงนระนอาทิตย์นี้พุ่งไปแยกอากาศอาศัยความเสียดสีก็ อ, อ า, ากาศจะกับไอ้รอเหยกับโลกที่หมุนเป็นรวกายเกิดแสงสว่างพุ่งไปทั้งโลกต่างๆนี่เรื่องนิทานหลังจากนั้นก็พากันเข้าไปสู่ภายในดวงอาทิตย์เข้าไปในโลกอาทิตย์ ถ้าไปถึงแล้วก็ปรากฏในนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีถ้าบอกมีแรกชนิดหนึ่งที่มีสภาพมันเหมือนคล้ายแร่เหมือนกันนิดแต่ก็เรกจริงๆไม่ทราบอะไรมันเป็นเชื้อไฟมีความลุกโชนอยู่ตลอดเวลาในการลุกนานา น, น่าจะเผาผลานตัวเองทั้งตัวนี่เป็นเชื้อเพลิงหมดแต่ได้ว่าพระ เ, เจ้าจะทรงดีบาย ว่าไอ้สิ่งความร้อนต่างๆในร่างในในโลกนี้มันแปลกมันไม่ก็จริงแหละแต่ว่ามันสร้างตัวเองแทนที่มันจะสลายตัวสิ่งที่ไหลเป็นเชื่อเพลิงแล้วมันก็สร้างตัวเองให้เกิดขึ้นมาด้วยความร้อนที่เดืดมาก็ไปเป็นดวงไฟตามที่ปรากฏและองค์สมเด็จพระบรมสุคต์ก็ทรงแนะนำว่าความร้อนแรงของโลกจะไม่มีการลดตัวลง จากนี้ไปจะร้อนขึ้นตามลำดับนี่กล่าวว่าใกล้จะสิ้นกับจะมีเสื้ออาทิตย์ดวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเกิดขึ้นตามันดับความจริงเวลานี้เกิดแล้วแต่ะดวงจับก้อนแล้วเป็นกลุ่มแล้วแต่ยังโตไม่พอถ้าดวงไหนอย่างดวงที่สองโตพอก็จะเกิดแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ดวงนี้แต่ดวงอาทิตย์วดวงเดิมนี้ก็จะร้อนมากกว่าขึ้นเป็นลำดับ ในที่สุดแต่แม่วาดวงต่างๆจะมีนุภาพไม่มากยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าอาทิตย์ดวงเดิมนี้ก็จะร้อนขึ้นตามลาดับคือว่าโลกจะเย็นกว่านี้ไม่มีจะร้อนข้นไปโลกจะเต็มด้วยความร้าร้อนกรวมความว่าหนูน้อยจูไรก็มีโอกาสเด้เที่ยวดวงอาทิตย์ก็ดูไปรอบๆ เขาอยากจะทราบตามความจริงวัดมีบ้านไหมมีคนไหมมอเดินไปรอบๆสมเด็จพระจอมไตรปมมศาสันได้ก็บอกว่ามีไม่ได้ลูกเลยขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตจะมีที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดจุล่ยก็ถามว่าฝรั่งเขามีความสามารถเขาสามารถจะมาตักหลักตั้งสถานีที่ดวงอาทิตย์ได้ไหม ถ้าเขามาได้เขาสามารถจะใช้กระแสไฟจะดวงอาทิตย์ไปทำใบฟ้าในโลกได้ไหมสมเด็จพระจอมไตรก็ส่งยิม้มรงแย้มพระโอษฐ์ก็ตอบว่าถ้าฝรั่งสามารถจริงก็สามารถมาได้ถ้าสามารถนำไปได้แต่ว่าคิดว่าฝรั่งไม่สามารถจะทำได้ในเวลานี้ทั้งนี้เพราะสิ่งที่ป้องกันความร้อนขนาดหนักฝรั่งยังหาไม่ได้ ต่อไปแกก็หาได้เมื่อไรเขามาได้เหมือนนั้นการที่จะนําความร้อนจากดวงอาทิตย์ทศเสาร์สวรรค์จันทิตย์ไปช่วยโลกให้มีความสว่างอันนี้ทําได้แน่ทามาได้ด้วยความจริงก็ไม่ต้องทําพระอาทิตย์ช่วยอยู่แล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จประบัณฑิตแกก็สุขจัดว่าจุไรลูรักและก็มันดาของจุไรการมาเที่ยวที่นี่นานเกินไปเสจะแล้ว เ, เวลานี้โลกมนุษย์ใกล้สว่างเวลานี้คือเวลาตีสีพให้ส้นวิการเช้า ม, มืดให้นําลูกกลับก็เป็นการมาเอ่ยว่าวันลูกขึ้นเป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุดไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กเกินไปเด็กเกียรเพียหลังจากนั้นส ม, ดมาาเด็จพระพู้ทธมีกระธาเจ้าก็เสด็จหายไปอยู่เลกับแม่ก็กลับมาบ้า น, นเรื่องของนิทานบรรมดาลูกหลานทั้งหลาย พอกลับมาบ้านก็เข้าร่างกายเดินแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นเวลาสายนิดหน่อยปรากฏถึงเวลาสายสายก็เสียงขอประตูเรียกจุยัยจุไยที่เป็นเสียงเป็งเสียงผู้ชายคือ เ, เสียงคุณพอ่อเสียงได้โกนถามกันว่าทําไมแม่กับลูกวคนนี้นอนตื่นสายนักอาหารเช้ายังไม่ได้ทําท่านแม่ลืมตาขึ้นมาจุไรลืมตาขึ้นมาปรากฏเวลาใกล้โมงเช้าสายไป จึงรีบลุกเข้าไปตามอาหารเวลัทานในเวลาเช้าก็เป็นว่าลุกล้นทั้งหลายที่ฟังจงมีความเข้าใจนิทานเรื่องจุลัยนี่ไม่ใช่ไรผลจะ ก, กล่าวที่องค์สมเด็จพระพุทธพลคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จาภาพพระพุทธเจ้ามีความสําคัญถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ดูพระพุทธรูป จำภาพพุทธรูกได้แล้วก็นึกถึงท่านขอพอรถ้าความไม่ที่เกิดขึ้นมาไรโลกไหนก็ไปได้เมื่อเด็กจริงจนไห่ที่บอกว่าอายุห้าปีความจริงเด็กทุนนี้นิวรณยังไม่กินใจนิวรณ์คือความชั่วของจิตสิ่งที่มัวหมองยังไม่พอใจสามารถทำไรทำได้สะดวกแต่แพื้นฐานเดิมมีความสำคัญหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าและทำพระอาลัยสงฆ์ด้วยความจริงใจ 2. มีสินห้าบริสุทธิ์ 3. มีภูมิหาน4 4. ีมีความกระตันยูต่เวทีรู้คุณท่านแล้วก็5มีความเคารพคารวะคือความเคารพมีเป็นความสาคัญที่สุดเป็นเสน่ห์ที่ดีสำหรับทุกคนถ้าคนที่มีความเคารพมีความกระตันยูรู้คุณความยากจนจะไม่ปรากฏเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก อาราบันดาท่านพระบริษัททังหลายมองเวลาไปมองเวลามาก็รู้สึกว่าจะครบสามสิบนาทีเข้ามาแล้วฉะนั้นขอบรรดาลูกหลักมาฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระพุทธเจ้าที่ต้องเอาเรื่องราวพระพุทธเจ้าเข้ามาด้วว่าการความเปรติจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสาคัญฉะนั้นขอบรรดาลูกหลนาลลนทุกท่านทุกคนทีน่มารับฟัง ยงจะลืมพุทธานุาติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอรม์เวลานี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่บรรดาจา่พุทธศาวตินกิชนพระรังทุกท่านสวัสดี